ข้อความในเนติปะกรณ์ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วพูดถึงทศพลยานนะเนีย่ยานที่เป็นกำลังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทศพลยานคือยานที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้ามีอยู่สิบประการด้วยกันซึ่งทศพลยานนี่แหละที่เป็นเหตุให้มีผู้ที่ขนานพระนามพระองค์ว่า พระทศพลเนนะเราคงได้ยินว่าทศพลไม่ใช่ทศพร น, นะคนละอย่างทศพล น, นั้นก็คือพระผู้ทรงกำลังส0บประการกำลัง1ิประการของพระองค์ก็มีฐานาฐานาญ ย, ยานที่พระองค์รู้ว่าอะไรเป็นฐานะไม่ใช่ฐานะก็คือยานที่รู้ปัจจัยนั่นเองพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทศพลยานยานที่เป็นพระกาลังทั้งสิบประการ ธรรมหากัจจยนะท่านบอกว่าพระองค์ย่อมไม่หลอกลวงสาวกทั้งหลายด้วยโอวาทนะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรในการหลอกลวงเพราะว่าทั้งหมดที่พระองค์ทำพระองค์ปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่ประกอบด้วยกำลังสิบประการกาลังสิบประการอันนี้ที่มีอยู่ในพระองค์นี่แหละที่ช่วยให้สาวกทั้งหลาย ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานสาวกของพระองค์นั้นจึงเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกท า, าคามีเป็นพระนาคามีและเป็นพระอรหันต์พระองค์จึงช่วยวางรากฐานเป็นอุปนิสัยให้แก่สัตว์เหล่าอื่นๆที่ไม่ใช่เวนัสสัตว์คือผู้ที่เป็นอ ภ, พภัพ菩萨ทั้งหลายพระองค์ก็ยังวางรากฐานให้เขาเหล่านั้น ได้เจริญงอกงามในบุญกุศลเป็นวาสนาที่จะให้ตรัสรูท้ทำต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าผู้ทรงกาลังสิบประการที่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่ายาณอันแรกที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าคือฐานาฐานายา น, ยานที่พระองค์รู้ว่าอะไรเป็นฐานะไม่ใช่ฐานะคืออะไรเกิดจากปัจจัยอะไร ในฐานะอฐานะเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัตรสรู้ถึงสังขารธรรมหรือสังคตะธรรมเพราะว่าสังคตะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นธรรมะเหล่าใดาที่เป็นปัจจัยให้สังคตะธรรมเกิดหรือว่าธรรมะเหล่าใดาไม่ใช่ปัจจัยแห่งสังคตะธรรมแต่ว่าสรุปสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังคตะธรรม สิ่งเหล่านั้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาส่วนสังขารที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็จริงอยู่แต่ถึงอย่างนั้นคําว่าสังขารเนี่ยนะสังขารเนี่ยสังขารคือสังขารธรรมสังขารธรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์ ไม่ใช่พูดถึงสังขารไปก็นึกถึงแต่ต้นไม้ใบหญ้านึกถึงแต่ข้าวของเครื่องใช้ก็เลยเรียกว่าสังขารไม่ใช่ก็เราเราท่านท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าพูดโดยโวหารหรือโดยสมมุติสัจจะเขาเรียกว่าเป็นสัตจแต่ถ้ากล่าวโดยปรมาธรรมโดยปรมาสัจจะก็คือทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะทุกขสัจจะก็คือสังฆตาธรรมสังขารธรรม สังคตธรรมสังขารธรรมเหล่านี้ที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแล้วก็แปรปรวนไปเป็นธรรมดาสังคตะธรรมเหล่านี้ที่เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์สัตว์เหล่าใดที่อย่างรู้ถึงเหตุปัจจัยแห่งความดีมีการประพฤติธรรมสัตว์เหล่านั้นก็เข้าถึงสุขตินะผู้ที่เป็นสัตว์นะ ถ้าหากว่าตั้งอยู่ในคุณงามความดีประพฤติสุดจริตทางกายวาจาใจเขาก็ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ถ้าเขาประพฤติเป็นอาธรรมประพฤติเป็นความชั่วทางกายวาจาและใจก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาศนารกส่วนผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8การปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี่แหละเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพาน เป็นเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานเพราะว่า <c oughs> สังขตะธรรมทั้งหลายที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลวนไปเป็นธรรมดาภาษาสมมุติสัจจะทั่วๆไปเขาเรียกว่าตายราว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องตายสัตว์ทั้งหลายจะต้องละทิ้งร่างกายไปเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบเมื่อชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบ สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกทําความชั่วด้วยกายวาจาใจก็ไปสู่อบายทําความดีด้วยกายวาจาใจก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้าเขาเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดก็ย่อมเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยนะก็คือเข้าถึงธรรมะเป็นที่สงบประงับดับทุกข์โดยประการทั้งปวงการที่สัตว์ทั้งหลายปฏิบัติ หรือปฏิปทาเครื่องดำเนินให้เข้าถึงพบพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความที่พระองค์ตรัสรู้อย่างนี้เรียกว่าสัพพะทัคามินีปฏิปทายานญาณที่ยังรู้ปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงพบทั้งปวงรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งพบไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เข้าถึงณนะสถานที่ไหนอะไรเป็นเหตุแห่งนรกอะไรเป็นเหตุแห่ง เปรอะไรเป็นเหตุแห่งเดระชานอะไรเป็นเหตุแห่งมนุษย์อะไรเป็นเหตุแห่งเทวดาอะไรเป็นเหตุแห่งพรหมโลกอะไรเป็นเหตุให้เข้าถึงความดับทุกข์ความที่พระองค์นี่รู้ข้อปฏิบัติความประพฤติให้ถึงที่ทั้งปวงได้อย่างนี้เรียกว่าสัพพัทธคามินีปฏิปทาญาณของเราทั้งหลายก็คงพอรู้แล้วใช่ไหมว่าเรากําลังเดินไปไหนกันรู้ไหม คือพระพุทธเจ้านี่รู้ของสัรพสัตต์หาที่สุดไม่ได้ถ้าของเราทั้งหลายเนี่ยศึกษาพระธรรมแล้วยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังจะไปไหนนี่หมาก็น่าก็น่าเห็นใจเหมือนกันใช่ไหมยังไม่รู้เหมือนกันว่าทาไปทําไมทําไปเพื่ออะไรมันจบที่ไหนอะไรยังไงเพราะฉงนั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็ต้องรู้สิ่งที่ตัวเองกําลังดําเนินอยู่สิ่งที่ตัวเองกําลังปฏิบัติอยู่ว่ากําลังปฏิบัติปฏิปทาให้ไปไหน ทำไปแต่ไปไหนถึงที่ไหนถึงอย่างไรแล้วก็เมื่อไหรเป็นต้นคงจะต้องพอจะรู้ถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่เราทําคำที่เราพูดความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าข้อปฏิบัตินนะเรียกว่าข้อปฏิบัติจะปฏิบัติไปไหนก็ช่างเถอะก็เรียกว่าปฏิบัติทั้งนั้นแหละบางพวกปฏิบัติแล้วตกนรกนะ ค, คว่าปฏิบัติในที่นี้หมายถึงการกระทานั่นเองการประพฤติทางกายวาจาและ ใจสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี่แหละคือข้อปฏิบัติเราจะต้องการผลหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำในชีวิตประจําวันนี่คือสมบัติของเราแล้วละ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทุกครั้งทุกครั้งที่เราทำไปนี่มันเป็นเหตุเหตุเหล่านี้ย่อมมีผลเป็นธรรมดาผลเหล่านั้นควรจะเป็นที่ไหนดีเนี่ยนะควรจะเป็นนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมโลกหรือ พระนิพพานแทงตลอดอริยสัตว์ในที่สุดเราก็คงพอรู้ว่าเรากำลังดำเนินอยู่ในอะไรอยู่ถึงสัตว์ทั้งหลายที่มีข้อปฏิบัติที่ดำเนินไปสู่พบทั้งปวงแต่ในสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะก็มีความหลากหลายเหลือเกินมีความหลากหลายมากเพราะสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รวมเป็นที่ประชุมแห่ง สังขารธรรมที่มากมายอย่างที่เราเรียกว่าสัตว์สัตว์เนี่ยในสัตว์หนึ่งสัตว์เนี่ยถ้ากระจายออกมาแล้วก็คือขันอายตนะแลธาตุทีนี้ธาตุในที่เรียกว่าธาตุของแต่ละคนมันเยอะเหลือเกินใช่หมเมื่อธาตุมันมากมายขนาดนี้มีธาตุอะไรบ้างานะก็นะบอกว่าในแต่ละโลกในแต่ละคนในแต่ละโลกแต่ละคนเนี่ยนะโลกเหล่านี้ที่เรียกว่าขันทโลกอายตนะโลกธาตุโลก ถ้ากล่าวโดยธาตุโลกเนี่ยนะในแต่ละคนเนี่ยมีธาตุบางคนก็ครบสิบแปดบางคนก็มีถ้าขาดก็ขาดทีละทวารเช่นถ้าตาบอดซะอย่างเดียวขาดอะไรก็ขาดจักขุู่ธาตุขาดรูปประธาต์ขาดจักขุู่วิญญาณธ า, าตุเพราะตาถ้าไม่มีตาอย่างเดียวสีจะงดงามขนาดไหนก็เห็นไม่ได้บางคนก็เสียอะไรเสียจมูกเสียหูอันนี้ก็โสตธาตุเสีย บางคนก็เสียจมูกเนี่ยนะขานธะาตุเสียบางคนก็เสียลิ้นไม่มีชิวหาวิญญาณไม่มีลิ้นบางพวกก็กายะกายะเนี่ยนะกายแต่และตําแหน่งก็เสียหายไปแต่ว่ารวมๆแล้วหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รวมแห่งธาตุนะเป็นที่รวมแห่งธาตุธาตุละสามทาวาร น, นะนะธาตุทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจในธาตุเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าย่อๆลงมาก็เหลือแต่ธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศและวิญญาณเรียกว่า อ, าอะไรธาตุสี่ช่องว่างระหว่างธาตุสี่แต่และกลุ่มแต่และกลุ่มก็เรียกาอากาศธาตุเช่นช่องตาช่องช่องทางตาช่องจมูกช่องหูช่องปากเป็นต้นพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นอากาศธาตุเพราะเป็นช่องๆในธาตุเหล่านี้ก็มีที่ตั้งแห่งธาตุอย่างหนึ่งเรียกว่าธาตุรู้ ธาตุรู้เหล่านี้เนี่ยนะบางทีมันก็ประกอบด้วยธาตุที่เลวและบางทีก็ประกอบด้วยธาตุที่ดีไอธาตุรู้วิญญาณธาตุเนี่ยนะถ้าขยายออกมาแล้วก็มีธาตุดีกับธาตุเลวถ้าธาตุเลวๆมีอะไรบ้างกามาธาตุพยาบาทธาตุและวิหิงสาธาตุถ้าธาตุที่ดีที่อยู่กับวิญญาณเหล่านั้นก็คือเนคขมธาตุอัพยาปาทธาตุและอวิหิงสาธาตุก็มาดูว่าธาตุไหนมันหนาแน่นกว่าธาตุไหน ถ้ากุศลธาตุหนาแน่นกุศลธาตุก็อ่อนกับอ่อนมากกันเอะเรียกว่าดูที่ส่วนผสมนะถ้าหากว่ามองสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุก็มาวัดกันที่ส่วนผสมถ้ามีส่วนผสมที่เลวส่วนผสมที่ดีก็น้อยลงไปตามนั้นถ้ามีส่วนผสมที่ดีส่วนผสมที่เลวก็มีน้อยไปตามนั้นสุดแท้แต่ว่าธาตุไหนมากกว่าธาตุไหน ถ้าการมาธาตุมากเนคขมาธาตุก็ลดลงถ้าเนคขมาธาตุมากกามาธาตุก็ลดลงถ้าพยาบาทธาตุมากอัพยาบาทก็ลดลงถ้าอัพยาบาทมากพยาบาทก็ลดลงถ้าวิหิงสาธาตุมากอวิหิงสาก็ลดลงถ้าวิหิงสาธาตุมากวิหิงสาก็ลดลงก็สุดแท้แต่ว่าถ้ากุศลวิตกเกิดมากอกุศลวิตกก็ลดลงถ้าพยาบาทเกิดมากเมตาก็ลดลงถ้าเมตามีมาก พยาบาทก็ลดลงถ้าการุณามีมากการเบียดเบียนก็ลดลงถ้าการเบียดเบียนมีมากการุณาก็ลดลงนะพวกนี้เป็นธาตุแต่ก็ถ้ากล่าวตามธาตุเหล่านี้แม้แต่เวทนาทั้งหลายก็นับว่าเป็นธาตุผลพวงของการมีธาตุเหล่านี้ก็คือได้รับธาตุชนิดหนึ่งคือความทุกขโทมนัตถ้าธาตุที่ดีๆก็เป็นที่ตั้งแห่ ง, หงสุขและ โสมนัสถ้าธาตุเร็วๆก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโทมนัสสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับทุกข์และโทมนัสอวิชาก็ท่วมทับคนที่ถูกความทุกข์แล้วฉลาดขึ้นเนี่ยโดยมากเป็นอย่างนั้นไหมได้รับความทุกข์มากๆถูกปัญหามันบีบคั้นกลุ่มรุมโดยมากหน้า ม, มืดไปหมดเลยคิดอะไรก็ไม่ออกฉนัผู้ที่มีความทุกข์ทางกายและจิตใจโดยมากแล้วจะตามด้วยอวิชชาธาตุ นะนะตามด้วยอวิชชาธาตุธาตุแห่งความไม่รู้ธาตุแห่งความเผาธาตุแห่งความหลงงมงายามันเมื่อได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งบีบคั้นโดยมากแก้ปัญหาผิดๆทั้งนั้นเล ย, ยนะนะความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ทางใจเป็นเหตุก็ตามโดยมากก็จะแก้ปัญหาด้วยอวิชชาคือแล้วแต่อวิชชามันจะจะพาไปนี่คําว่าอาวิชชาเนี่ยนะหมายถึงว่าอากุศลทุกทุกอย่าง มีอวิชาเป็นมูลเป็นรากเง่าหมดเลยพัน้ะแก้ปัญหาชีวิตด้วยอกุสลอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นอวิชาธาตุทำงานอย่างเต็มที่อันนะ่ะธาตุเหล่านี้มีกำลังมากส่วนถ้ากล่าวตามวัตตะในภูมิสามเนี่ยนะก็แบ่งเป็นธาตุที่มีรูปธาตุที่ไม่มีรูปแล้วก็ธาตุแห่งมิจฉาทิฐิท่านบอกว่านโรธาตุคือธาตุแห่งมิจฉาทิฐิโดยเฉพาะอุเฉ ท, ทิฐิ ที่ยกมานั้นแสดงว่าธาตุอันนี้มันหนาแ น, น่นมากมีอยู่ในสัตว์ไม่ใช่จํานวนน้อยเพราะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกลุ่มนิโรธธาตุเนี่ยนะธาตุเหล่านี้ถือว่าทุกอย่างเมื่อแตกทําลายแล้วศูนย์เนี่ยะแม้กระทั่งเราเราฟังได้ข่าวฟังข่าวว่าคนตายแล้วเราก็เหมือ น, นว่าศูนย์ไปแล้วจบหมดแล้วใช่ไหมโดยมากนั้นจะไม่ค่อยสาวไปหาจุติและปฏิสนธิต่อไปเมื่อเข้าว่าตายแล้วก็ ก็ถือว่าจบแล้วก็ยังมีอะไรต่อไปอีกนิดหน่อยก็คือมีงานศพนะอีกนิดหน่อยก็ถือว่าเรียบร้อยหมดแล้วมันพวกนี้ถือว่าตายแล้วก็จบเลยนหลงเรื่องตายแล้วก็หมดแล้วมันมีอะไรแล้วเหมือนกันเถะพวกนี้แหละเป็นพวกนิโรธธาตุพวกนี้อุดเชททิฐิแต่หลวงเรื่องไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเรื่องเตรียมสเสบียงไปพบหน้าแล้วเหมนันไ่น่นะัคิดไม่ดีเป็นสัสตตทิฏฐิไปเลยทงไปอีก พวกนี้ก็ล้าหลังเกินไปก็าบองั้นสัสตตตถิฐิก็ล้าหลังอุเฉทัทิฐิก็เลยทงเพราะพวกที่คิดคิดว่าชีวิตนะเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วพวกที่คิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วโดยมากคํานี้อยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐิโดยมากเลยนะเพราะมันคิดอะไรเลยต่อไปไม่ได้ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแล้วมีสัมมาทิฏฐิบ้าง จะไม่เป็นอย่างนี้หรอกคนจะเจริญกุศลมากกว่านี้เยอะเนี่ยนะนะจะเจริญมากกว่านี้เยอะคงไม่ทำบาปทำกรรมให้ตัวเองขนาดนี้หรอกจะหถ้าหากว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องปฏิสนธิในภพใหม่รู้ว่าการปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยนะซึ่งมีที่ปฏิสนธิมากมายในวัฏฏะในภูมิสามถ้าหากว่าเรารู้ว่าการปฏิสนธิในภพใหม่จะมีขึ้นจริง มีปัญญาแบบนั้นจริงๆเราก็คงสร้างเหตุแห่งปฏิสนธิที่ที่ดีเป็นต้นปฏิสนธิที่สามารถรองรับการบรรลุมรรคผลได้แต่เนื่องจากว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าการปฏิสนธิในพบใหม่และการปฏิสนธิในพบใหม่นี่มีความหมายมากจะบรรลุมรรคผลได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าปฏิสนธิในพบใหม่เนี่ยปฏิสนธิด้วยคุณภาพจิตชนิดใด ถ้าปฏิสนธิด้วยอุเบกขาอขอไปปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบากหรือที่เรียกว่าอาหติตกะปฏิสนธินี่พัฒนาอะไรก็ไม่ขึ้นเลยชีวิตอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยความโง่เขลาเพราะพื้นฐานจริงๆแล้วเป็นคนเขลาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาประกอบแม้แต่อโลพะและอโทสะก็ไม่มีกำลังเพราะนั้น ปฏิสนธินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดเราทั้งหลายความตายไม่ควรกลัวแต่สิ่งที่ควรกลัวคือความเกิดเพราะว่าไอ้ความเกิดเนี่ยถ้าเรากําหนดปฏิสนธิจิตของเราไม่ได้บรรลุมรรคผลก็มีไม่ได้ทีนี้ไอ้ตัวที่กําหนดปฏิสนธิเนี่ยอะไรเป็นตัวกําหนดอ่ะก็กรรมะเป็นตัวกําหนดปฏิสนธิถ้ากรรมเร็วๆปฏิสนธิก็จะได้ปฏิสนธิเร็วๆ ทีนี้ปฏิสซนที่มันเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับอยู่ทั้งชาติอยู่ตลอดชาติมันเหมือนอะไรเหมือนกับเกิดมาตระกูลต่ำมันก็ตระกูลต่ำไปตลอดชาติเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงโดยชาติชั้นวันนะนะอย่างสมัยสมัยคนอินเดียนี่เห็นชาติเลยถ้าคุณเกิดมาเป็นวันนากษัตริย์คุณก็เป็นกษัตริย์ทั้งชาติเว้นไว้แต่ว่าเขาปลดไปเป็นจันทารอะไรเงี้ย ถ้าเกิดเป็นวันณนพราหมณ์ถ้าไม่ประพฤติผิดอะไรของเขาก็เป็นพราหมณ์ไปตลอดชาติถ้าเกิดเป็นแพทย์ก็แพทย์ตลอดชาติเกิดเป็นสูตรก็สูตรตลอดชาติ<ๆ>เกิดเป็นจันทานก็จันทานเป็นต้นตลอดชาติแต่ว่าอจันทานจะพัฒนาไปสูงในค่อนข้างยากแต่รวมๆแล้วถ้าไปเกิดในตระกูลต่ำแล้วก็ยากเหมือนกันมันโครงสร้างถ้าเราเป็นสัตว์ในอบายมันก็คือสัตว์ในอบายตลอดชาติถ้าโครงสร้างเป็นปลาปฏิสนธิเป็นปลามันก็เป็นปลาตลอดชาติ ถ้าเป็นเปรตก็เป็นเปรตตลอดชาติถ้าเป็นงูก็เป็นงูตลอดชาติถ้าเป็นปฏิสนธิอาเหตุกษ์ปฏิสนธิที่เป็นงูไปแล้วถึงจะเป็นพญานาค ก, ก็ตามก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้พญานาคบางท่านเนี่ยเสียใจมากว่าตัวเองไม่สามารถบรรลุบรรลุได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ฉลาดนะแต่ว่าพื้นฐานจริงๆเป็นอาเหตุตุกะปฏิสนธิอันปฏิสนธิเนี่ยสาคัญ มันเป็นตัวกำหนดว่าชาติต่อๆไปเราควรเป็นคนเช่นใดควรจะเจริญแค่ไหนควรจะเสื่อมอย่างไรควรจะอายุยืนหรืออายุสั้นเป็นต้นคุณภาพปฏิสนธิเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดในในชีวิตเนี่ยนะในชีวิตมันถ้าหากว่าเราบอกว่าเดี๋ยวจะจุติแล้วแล้วปฏิสนธิล่ะควรจะเป็นที่ไหนอย่างไรคุณภาพแห่งปฏิสนธิเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้ปฏิสนธิมาจากไหน ก็มาจากกรรมก็เรามาดูว่ากรรมที่ควรจะนำปฏิสนธิเนี่ยของเราทั้งหลายควรจะเป็นกรรมประเภทไหนกรรมไหนนาเกิดดีไม่รู้ละ่ะคิดถึงกรรมไหนกรรมนั้นนำเกิด อ, นนอันชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยนะพูดไม่รู้กี่หมื่นคามาแล้วใช่ไหพูดมาเป็นล้านๆคามาแล้วแล้วถามว่าเราจะเลือกเอาคาไหนที่นำเกิดดีละ่ะคาว่าอรหังคำว่าสัมมาสัมพุโทโธหรือคาว่าวิชาจารณะสัมปันโนเอาคาไหนน เจตนาหนึ่งดวงเท่านั้นแหละที่นําเกิดนะในบรรดาเจตนาแบบเรียกว่ามากมายหาที่สุดไม่ได้จะเอาเจตนาตัวไหนนําเกิดเอาเจตนาที่เกิดร่วมกับวจีคําไหนอรหังหรือสัมมาสัมพุโทโววิชาจารณะสัมปันโนแต่ไม่แน่นะครเจตนาเพราะว่าคําเหล่านี้จริ ง, รงๆเราสวดเป็นเวลาใช่ไหมแต่ว่าไอ้คําอื่นๆเราพูดทั้งวันอย่างงี้ยนะและคําอื่นๆที่พูดทั้งวันไปนึกถึงคํานั้นเข้าเอาคำว่าพ่อคาําว่าแม่คําว่าลูก คำว่าหลานคำว่าบ้านคำว่าอะไรก็ได้คำๆทั้งหลายเหล่านี้คำว่าลูกเป็นต้นเนี่ยควรจะไปที่ไหนดีเอาไม่ได้พูดให้รังเกียจลูกนะแต่เล่าให้ฟังว่าเออถ้าพูดถึงคำว่าลูกปั๊บคํานี้เกิดที่ไหนดีบางคนก็บอกแม่เออคาว่าแม่เนี่ยเราควรจะเกิดที่ไหนดีก็สุดแท้แต่ว่าทํากับพ่อกับแม่ไว้อย่างไรนั้นแต่ละคําแต่ละคําเหล่านี้ยเป็นตัวที่บอกถึงพบใหม่ของเรางนั้นนึกถึงกรรมใดกรรมนั้นนําเกิด บางคนก็แล้วแต่ว่าภาพตัวใดถ้าหากว่าเราเข้าใจถึงปฏิสนธิว่ามีคุณภาพว่าเกื้อกูลต่อการบรรลุมรคนหรือไม่อันนี้จะเรียนอาธาะรันอขอไปทศพลยานข้อที่สจะเข้าใจชัดเนีย่ยนะานที่ยังรู้อธิมุติที่แตกต่างกันของศาสตร์ทั้งหลายเรียกว่านานาธิมุตติกะตาญาณเนี่ยนะในข้อ60เนติปกรณ์หน้า1 1ึ ย่อหน้าสุดท้ายกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมปรารถนทาธาตุใดๆแห่งโลกาธาตุอันมีจำนวนมากและมีธาตุต่างกันย่อมอธิษฐานย่อมใส่ใจถึงธาตุนั้นๆธาตุเหล่านี้เนี่ยนะทั้งหมดที่กล่าวแล้วเป็นที่ฝักใยของหมูสัตว์จริงๆบางพวกปรารถนาฝักใยในรู ป, ปรธาตุชอบรูปมาก น, นะ พวกนี้จึงสะสมภาพทั้งหลายเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกนี้ใส่ใจในเรื่องสีติดใจในเรื่องสีเพราันพวกนี้จะเก็บภาพทั้งหมดเ น, นี่ยนะมันก่อนโยมเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไปดูมาเกือบทุกแห่งเก็บภาพมาหมดเลยเ า, าันไปเก็บภาพมามันมีความสุขมากเลยที่เขาได้ไปดูภาพที่เขาไปเก็บมาจากสถานที่ต่างๆคือไปถ่ายภาพเก็บเก็บภาพมาจากที่ต่างๆก็มีความสุขในการ เห็นภาพมีความสุขในการดูสีบางพวกนี้มีใจฝักใฝ่คิดถึงแต่สีคิดถึงแต่รูปปรารถนาแต่รูปละลึกถึงแต่รูปมีจิตใจน้อมไปหาแต่สีอย่างเดียวเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะสนใจแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพธาพ์รสชาติมันจะเป็นยังไงก็ช่างให้สีสวยไว้ก่อนเป็นใช่ได้พวกนี้ถือเอาสีเป็นหลัก บางพวกปรารถนาเสียงมีจิตใจหมกมุ่นในเสียงถือเอาเสียงเป็นหลักอย่างอื่นไม่เป็นประมาณเสียงดีเป็นใช้ได้เนี่ยนะพวนี้ถือเอาเสียงเป็นประมาณบางพวกถือเอากลิ่นเป็นประมาณเนี่ยนะบางพวกมีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับกลิ่นต้องการแต่แต่กลิ่นเนเพราะที่ไหนที่อยู่ก็ต้องหอมไว้ก่อนเป็นต้นจะต้องมีกลิ่นที่ตัวเองปรารถนาเอาไว้ก่อนมีกลิ่นที่ตัวเองชอบไว้ก่อนเรื่องอื่นแล้วค่อยว่าทีเอากลิ่นไว้ก่อน <ondu> บางพวกบอกอร่อยไว้ก่อนเนาะงั้นเอารถเป็นหลักเนี่ยนะเอารถที่ตัวเองชอบเป็นหลักเรื่องเรื่องกินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่สุดของชีวิตนั้นถือเอารถเป็นเป็นประมาณบางพวกถือเอาโพธะพระเป็นประมาณเนี่ยนะเอาโพธะพระเช่นปฐวีโพธพารลมในกลุ่มว่านะเรื่องความอ่อนความแข็งเนี่ยนะพวกน mm ี้ให้ความสําคัญมากบางทีในแข็งไปนิดเดียวแค่นั้นไม่ได้ละอ่อนวันนั้นนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วให้ถือความสําคัญก็อ่อนแข็งมาก บางพวกให้ความสําคัญกับเตโชธาตมากถ้าอุณหภูมิเกินกว่านี้นิดเดียวก็ทําไม่ได้แล้วยอมรับไม่ได้หรือน้อยกว่านี้นิดเดียวก็ไม่ได้พวกนี้ถือเอาอุณหภูมิเป็นหลักบางพวกก็เอาเตเอาวายโยเป็นหลักเนี่ยนะจะต้องอะไรนะความแข็งความตึงจะต้องเท่านี้ความตึงความหย่อนความเร็วนะพวกวายโยธาก็กลุ่มความเร็วก็เหมือนกันพวกนี้ถือปฏตโธทพะเป็นเป็นลักษณะ สัต์บางพวกก็มีใจน้อมไปในธรรมรมก็ก็เช็คดูนะว่าเราข้างล่านเนี่มีใจน้อมไปในรูปติดในสีมากหรือว่าติดในเสียงมากหรือว่าในกลิ่นมากหรือในรสมากโพธิภาพมากธรรมรมมากไม่รู้ว่าอะไรมันน่าพอใจติดหมดเหมนะือนกันแต่ยังไ้ก็มไม่ธรรมดาเหมือนนะอะไรนะใจกว้างขวางชอบไปทุกเรื่องอย่างนะเหมือนดี สัตว์าบางพวกเนี่ยนะถ้าผู้ชายบางพวกก็มีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับสตรีอย่างเดียวหรือสตรีบางคนก็มีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับสตรีด้วยกันสาสัตว์บางพวกก็มีจิตใจปรารถนาหมกมุ่นอยู่กับบุรุษเนี่ยนะบุรุษปรารถนาบุรุษบุรุษปรารถนาสตรีเนี่ยนะสมัยใหม่เนี่ยโอ้โหบุรุษปรารถนาบุรุษดูมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะ <im 1950> บินข้ามฟ้าข้ามน้ํามหาบุรุษอย่งนั้น <im S 1> บุรุษหาบุรุษมีลูกมาตั้งหลายคนแล้วก็ยังมาหาบุรุษเนี่ยน มหาภาระนะสแสวงหามหาภาระเหมือนกันสัตว์บางพวกก็มีมีใจที่ปรารถนาในการสละอย่างเดียวมีใจน้อมไปเพื่อการสละขอให้มันเรียกว่าอะไรนะได้ยิ่งได้สละเท่าไหร่ชีวิตมีความสุขเท่านั้นบางพวกนี่มีความสุขในการสละจริงๆหมายความว่าถ้าอะไรมันลดลงไปบ้างเนี่ยโอ๊ยดีใจแล้วแม้กระทั่งบ้านของตัวเองเนี่ยนะหมาถ้าข้าวของมันลดลงไปนี่มันดีใจมากมากเลย บางคนมีความสุขในการสล ะ, ระนั้นพอใจในการสละน้อมไปเพื่อการสละเพราะไอ้ที่พูดมาก่อนหน้านี้มันพอใจในการเอาแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ตรงกันข้ามพอใจในการสละน้อมไปเพื่อที่จะสละอันนี้คือความความหลากหลายของสัตว์เนี่ยนะว่าอธิมุตของสัตว์เนี่ยมันเรียกว่าความโน้มเอียงความปรารถนาความต้องการของสัตว์เนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆน่ บางพวกจะไปเอาบางพวกจะไปให้นะก็มีอยู่พวกรวมๆก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยนะพวกจะให้กับพวกจะเอานะบางพวกวก็ให้ครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งนะนะได้เขาได้เราเป็นต้นเนี่ยก็ก็ ก, ก็ก็ดีกว่าเอาอย่างเดียวอ่างั้นนาะแต่ว่าพวกที่น้อมไปเพื่อสละหมดปัญหาว่าถ้ามีปัญญาประกอบก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะถ้าน้อมไปเพื่อสละนั้นถ้ามีปัญญาประกอบมีความรู้ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องอันนี้ไม่ใช่ปัญหา สัตว์บางพวกนั้นมีความปรารถนาที่เร็วสัตว์บางพวกมีความปรารถนาแต่สิ่งที่ประนีตพวกปรารถนาเร็วเป็นยังไงเอไม่น่ามีใครปรารถนาเร็วๆใช่ไหมพวกปรารถนาเร็วก็คือพวกปรารถนาที่จะเจริญอากุสลพวกนีก้เรียกว่าปรารถนาเร็วปรารถนาอะไรนะพวกเช่น จองเวรพวกผูกเวรทั้งหลายแหลเนี่ยพวกนี้ปรารถนาเลวมากพวกปรารถนาน้อมไปเพื่อจะทําชั่วด้วยกายวาจาใจเพื่อนี้เรียกว่าปรารถนาเลวปรารถนาเพื่อการฆ่าปรารถนาเพื่อการลักขโมยปรารถนาเพื่อประพฤติผิดในการเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าปรารถนาเลวส่วนบางพวกที่ปรารถนาประณีตคือปรารถนาในการเจริญกุศลเป็นต้นก็คือ พวกที่ปรารถนาเลวก็คือปรารถนาว่าชีวิตนี้ถ้าได้ทําอกุศลอย่างหนึ่งนะแม่ชีวิตนี้พาสุขที่สุดบางคนก็บอกเออมันมีด้วยหรืออย่างนี้นะอันนี้มันใช้ภาษาเราบางคน ก, ก็ก็ใช้ภาษาชาวบ้านก็หน่อยบอกว่าชาตินี้ถ้าฆ่าไอ้คนนั้นได้แม่ชีวิตนี้ถือว่าสูงสุดแล้วของชีวิตเพราะได้ฆ่าคนที่เราอยากฆ่าได้เหมือนันนะบางคนก็บอกสูงสุดของชีวิตถ้าได้ไ ด, ได้ได้โลภในสิ่งที่เราควรจะโลภได้นี่ก็ถือว่า สูงสุดของชีวิตเนี่ยนะบางคนก็บอกไม่ถ้าเจริญมหากุศนได้ระดับสูงมันสูงสุดของชีวิตบางคนบอกว่าต้องระดับรูปปัจานนะจึงจะสูงสุดของชีวิตบางคนก็บอกอรูปปัจานบางพวกต้องมักสิจึงจะสูงสุดของชีวิตบางพวกต้องสะกะทาคามีมักบางพวกอนาคามมักบางพวกก็อรหัตตมักก็แล้วแต่ความปรารถนาเมื่อสัตว์มันปรารถนากันมากมายขนาดนี้เนี่ย เขมายังสงสัยว่าจะรู้อริยสัจกันได้ยังไงมันต้องการเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยบางพวกปรารถนาเป็นเทวดาสาธุชาติหน้าเขาให้เป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นไหนก็ใช่เขาช่างเถอะขอให้มันเป็นเทวดาอย่างว่าบางพวกก็ไม่ได้จ่าตุมจ่าตุมบางพวกก็ขอเป็นลูกเทวดาเป็นเทวดาเจ้าป่าเจาา้จาเขาเจากก้จาเกาะเจ้าแก่งเจ้าแว่นเจ้าแคว้นเป็นเทวดาประจําบ้านประจําเมืองเป็นต้นเนี่ยไง บางพวกก็เป็นภูมเทวดาบางพวกก็อากาศเทวดาบางพวกก็เทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาก็สุดแท้แต่ความปรารถนาบางพวกก็เลยไปถึงพรหมโลกเนี่ยนะบางพวกก็ปรารถนาความเป็นมนุษย์เนี่ยนะปรารถนาเป็นมนุษย์นี่มันก็มีปรารถนาหลายประเภทใช่ไหมปรารถนาเป็นมนุษย์นี่ยนะบางทีไปเจอนักกีฬาที่เก่งๆไหมอยากเป็นแบบนักกีฬาบ้างไปเจออะไรที่เขาเก่งๆก็ปรารถนาไปหมดชอบไปทุกเรื่องไปหมดถ้าอย่างนี้ก็ วันนี้ปรารถนาความเป็นมนุษย์นะบางพวกก็ตรงกันข้ามปรารถนาดับความทุกข์โดยประการตั้งปวงปรารถนานิโรธสัจจะเนี่ยนะมีใจน้อมเอียงไปในนิโรธสัจจะยานที่ยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปโดยเหตุโดยฐานะที่ไม่มีขอบเขตคือยานของพระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดสรุปว่าความหลากหลายของสัตว์ความต้องการของสัตว์ จะมากขนาดไหนก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าสรุปได้เลยว่าคนนี้สอนได้คนนี้สอนไม่ได้คนนี้เป็นเวนยศัสตร์คนนี้ไม่เป็นเวนยศัตว์คนนี้คู่ควรแก่โสดาคู่ควรแก่ ก, การบรรลุมรรคผลบุคคลเหล่านี้ไม่คู่ควรต่อการบรรลุมรรคผลสรุปได้เลยอย่างสมัยที่พระองค์แรกตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยนะพระองค์ก็น้อมไปพิจารณาสัตว์นะว่าสัตว์นี่หลากหลายจริงๆ แต่ว่าไอ้หลากหลายความหลากหลายเนี่ยที่แน่ๆก็คือรกชัดไปหมดเลยทีนี้พอองศ์ก็ตรวจดูตอนหลังที่พรหมาราชนนาให้สอนธรรมพออง์ก็ตรวจดูว่าจะมีผู้ที่บรรลุมรรคผลเท่าไหร่พระพุทธเจ้านี่กันออกเป็นสองกลุ่มทันทีเลยกลุ่มผู้ที่ควรบรรลุมรรคผลกับไม่คู่ควรบรรลุมรรคผลคือบรรลุได้กับบรรลุไม่ได้แล้วก็มาแบ่งต่อไปว่าพวกบรรลุได้เนี่ยนะมีกีจริต และแต่ละเจริญต้องสั่งสอนด้วยธรรมะหมวดใดแล้วแต่ละเจริญนั้นเป็นอุคติตันยูวิปัญจิตันยูหรือไวยะบุคคลจะต้องสอนแบบย่อแบบปานกลางหรือแบบพิสดารหรือใช้เวลาหลายๆปีเนี่ยนะพระองค์ก็ตรวจดูทั้งหมดว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นเวนยัยสัตว์เป็นสัตว์ที่คู่ควรแก่การสงเคราะห์เป็นสัตว์คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ใช่เวนยสัตว์ ไม่ใช่เวยนยศัสตร์คือพวกที่ไม่สามารถบรรลุมรคผลได้แต่ก็ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังสอนให้เป็นวา่าสหาต่อไปแก่บุคคลที่ไม่ใช่เวนัยศัสตร์เนี่ยนะคือคือผู้ที่เป็นเวยนยศัสตร์ก็โดนเน้นพิเศษก็คือผู้ที่บรรลุได้หรืออีกในหนึ่งเวยนยศัสตร์ก็สอนได้นะสอนให้ให้ทานรักษาศีลอบรมสมถวิปัสนาหรือสอนให้บรรลุมรคผลได้หรือบางพวกสอนไม่ได้เลย บางพวกสอนไม่ได้เลยตรงกันข้ามเกิดมาเป็นศัตรูโดยตรงเกิดมาเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าตรงๆเลยถามว่าน้อยหรือมากไม่ใช่น้อยเลยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าก็คือเหล่าเดียร์ธีทั้งหลายที่มีความเห็นตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพวกที่ถือลาบสการะเป็นเป็นหลักเนี่ยนะพวกนี้เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยมากตรงกันข้ามกับ วิธีการคิดของเขาเพราะคนที่มีความเห็นความคิดตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าโดยมากก็เป็นปฏิปักษ์และก็เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็รู้ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เวนยสัตว์บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถจะตรัสรู้ได้เป็นต้นพระองค์รู้ด้วยว่ากลุ่มสัตว์เหล่าใดจะไปสุคติโลกสวรรค์หรือกลุ่มสัตว์เหล่าใดจะไปทุกคติรู้ว่าควรจะไปที่ไหนเนี่ยนะ บายหน้าไปถึงที่ไหนเหมือนกันอย่างว่าเนี่ยราฟังทำจบแล้วใครจะไปไหนเนี่ยอันนี้นี่ยกตัวอย่างว่ารู้แบบนั้นนะในความหลากหลายความมากมายของหมูสัตว์นั้นพระองค์จึงรู้ความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลาย